มันก็หยุดเท่านั้นนะมันก็ไม่ปรุงเป็นความโกรธความหมงุดหงิดมันก็จะไปอีกทางหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของเราก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าเออพอรู้เท่าทันพอรู้ทันความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นที่เราเรียกเวทนาพอรููเท่าทันเนี่ยมันไม่ปรุงเป็นความโกรธความขับแค้หรือความโมโหไอ้ตรงนี้แหละมันก็เปิดช่องให้เราพิจารณามันได้เช่น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 คือเขาคิดแต่เพียงว่าจะทำแล้วก็ตามมันต้องมีคนอื่นให้เงินมานจะทำเองด้วยน้ำพักน้าแรงของตัวเองนี่ไม่ได้อันนี้ชาวบ้านก็คิดแบบนี้คือคิดในแง่มุมเดียวคือว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อมีคนให้เงินถ้าไม่มีคนให้เงินฉันไม่ทำทั้งทั้งที่มีกำลังวังชาอยู่เยอะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเวลามีการร้องทุกข์ร้องทุกข์ตามโทรทัศน์บางทีก็จะมีคนชาวบ้านรูปร่างกาจา